بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وصلي ووسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان ا ل ي ه م الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ق ن ا ن ي ايان روي س ในสุรตะเตวะที่เราสุภานวตาลาพุดถึงผลบุญของการทําความดีต่างๆของผู้ศรัทธาซึ่งเราสุภานวตาลาไม่ต้องการให้เราได้ทําความดีเพราะหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺ อย่างเดียววางในผลละ บ, บุญเนี่ยอันนี้เราต้องมีต้องมีไม่มีไม่ได้ต้องมีเนี่เพราะมันจะสนองสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดไว้เป็นรางวัลถ้าเราไม่สนใจในรางวัลของอัลลอฮ์เท่ากับเราไม่สนใจในตัวอัลลอฮ์แวแล้วก็ อะไรที่มันมันเป็นจุดหมายสําคัญของคําสั่งสอนที่มันมีผลบุญเราสั่งให้เราทําความดีแล้วเราก็อยากได้รางวัลจากอร่อยได้ผลบุญจากอร่อยแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นคู่ขนานเลยนะในขณะเดียวกันสิ่งที่จะทําให้เราได้สนองคําสั่งของเราสุภาพนวัดอันและก็คือ การที่เราต้องการปฏิบัติตามและจงรักพักดีต่ออัลลอฮ์ سبحانه อันนีอัลลอฮมองในหัวใจของเราและพระองค์ทรงเห็นทรงเห็นว่าเราเรามีความพร้อมมีความปิติยินดีที่จะทำตามคำสั่ง Allah ของอัลลอฮ์ س ب ح ลอเพราะเป็นคำสั่งของอัลล และพราะมีรางวัลที่เราบอกว่ามั น, มนต้องมีแหละทําเพราะเราทำเพราะสวรรค์ทำเพราะอยากเข้าสวรรค์ต้องต้องมีทําไมเพราะอัลลอฮฺชื่นชมบรรดานับีร์และระซูลทั้งหลายซึ่งบรรดาอบีร์และระซูลทั้งหลายคือตัวอย่างของมนุษย์ชาติทั้งหลายหมายถึงว่าอัลลอฮฺกำลังบอกกับมนุษย์ทุกคนนี่ต้องเป็นแบบพวกนี้นะเพราะพวกนี้นะีนนะ่คือหัวกะทิของมนุษย์ทั้งหลาย Allah كان الخ ا ل l a h u wa Inna humka nu yusarigun f i ي k h a ويدعونا رغبا ورحبا سورة الأنبياء a l ر a h u ถึ ا Allah ได้ไล่เรียงนบีรัสูคนบ่าววัชนเหล่านี้บรรดานบีเหล่านี้แก ن ุยุสาร عون ข้าว ي ะ reap r i n عون the ل e a ใน khairati นการดำความดี ويدعونا และวิงวอนร้องขอคุณงามความดีที่อัลลอฮฺเตรีมยมไว้ก็คือรางวัลรักบันรักบันหมายถึงว่าเขารีบเร่งในการทำความดีเพราะเขาต้องการผลบุญต้องการผลตอบแทนจากเราว่ารักบัณและเกงกลัวในบทลงโทษที่เราได้เตือนไว้สำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เราทำความดีเพราะอยากเข้าสวรรค์อยากพ้นจากนรกอันนี้ต้องมีแต่ในขณะเดียวกันเราทำความดีเพราะเราต้องสวามีภักด์เราเรารู้สึกติ ต, ติยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮสุภาหวดาลแต่เราจะไม่พูดเหมือนสุดโต่งของซูฟีที่เขาบอกว่าโอ้ oh Allah ถ้าฉันทำความดีเพราะอยากเข้าสวรรค์อย่าได้ให้ฉันเข้าสวรรค์ลเลยถ้าฉันทำความดีเพราะกลัวนรกได้โปรดให้ฉันเข้านรกที่จริงฉันทำเพราะฉันรักพระองค์อย่างเดียวอันนี้สุดโตงทำไมสุดโตงเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามแบบอย่างของบรรดานาเบลละสูตรที่อัลลอฮฺชื่นชมในคน และเป็นไปนไม่ได้ที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องสวรรค์อันเป็นจุดหมายสําคัญของผู้ศรัทธาปวงผู้ศรัทธาตั้งแต่สมัยอาดัมจนถึงน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยซึ่งเป็นระยะเวลาที่อัลลอฮ์ประทานลงมานบีลระซูแล ะ, ร ะ, ลและบรรดาขามบีทั้งหลายพูดถึงเรื่องสวรรค์และกรร็นรกนี่เป็นประเด็นสําคัญในการจูงใจและกระเชิญชวนมนุษย์ชาติทั้งหลายตห้ทำความดีเป็ น, ปนไปไได้ถ้าสวรรค์และนะรกไม่มีความหมาย เรื่องอะไรเราจะมาพูดเรื่องสวรรค์ น, นารกเยอะขนาดนี้ในบรรดาคัมภีร์โดยเฉพาะในคุรานเป็นไปไม่ได้นคนที่บอกว่าโอ้ยฉันตํำความดีว่าไม่ได้อยากเข้าสวรรค์ไม่ได้อยากาา ไ, ม ไ, ไม่ได้อยากพ้นจากนารกหรอกคนพูดแบบนี้พูดจริงไหมผมว่าไม่จริงอเอาแค่ในโลกดุนยานี้เนี่ยก็กตอนแหลชัดๆแล้ว เอาเอาเอาเอาเอ า, เอาตัวอย่างบททดสอบในในโลกตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าอยู่กับพ่อแม่เนี้ยอ๋อฉันฉันกรตันอยู่ต่อพ่อแม่เนี่ยพราะรักพ่อแม่อย่างเดียวเลยจริงเหรอจริงเราถามตัวเราทุกคนนะนะ่ะจริงเหรอเราทําความดีกับพ่อแม่เพราะเราต้องการให้พ่อแม่ให้พ่อแม่เราเนี่ยดูแลเราด้วยเพราะ นี่คือกลไกที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาระได้วางไว้และมันไม่ผิดไงมันไม่มันไม่ถือว่าเอ้ยงี่รักพ่อแม่ไม่ไม่แท้อะไรแกหรือว่าถ้าจะบอกว่าอ๋อนี่ละหมาดเพราะอยากเข้าสวรรค์แสดงว่าไม่รักอัลลอฮฺจริงมัไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺไอที่เราละมาลิลลาฮิตาลาแต่สิ่งเล็กๆนี้เราละหมาดอยากเข้าสวรรค์แต่มาแสดงว่ามันไม่ใช่ลิลลาฮิตาลาเปล่าเลยมันไม่ได้ขัด มันไม่ได้ขัดกันมันไม่ได้ค้านกันเลยสอดคล้องกันด้วยซ้ำเพราะหลินไห ล, ลกระาำบริบทของพระเจ้าที่สั่งไว้ว่าละหมาดพวกเองจะได้เข้าสวรรค์นนะเขาก็พระเจ้าเป็นเป็นผู้บอกเป็นผู้แจ้งว่าถ้าเราทําความดีถ้าเราสวามีพักต่อพระองค์เราก็จะเข้าสวรรค์แสดงว่าทาความดีเนี่ยอัลลอสุบฮานะวตาและได้มอง ถึงความสําคัญของการทําความดีในหัวใจของเราเราเล็งเห็นความสําคัญของความดีมันอยู่ในหัวใจของเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราดูอยู่อยู่นะเาลามองอยู่นะและความสําคัญของความดีเช่นการละหมาดเนี่ยละหมาดสาคัญไม่ในหัวใจสําคัญดิมันก็ต้องปรากฏในชีวิตข <c oughs> นาไหนเลยวะ ละหม่านี่มันสําคัญเราใส่ใจเรื่องการละหมาดไหมละหมาดตรงเวลาไหมมันต้องปรากฏเฮ้ยนึ่งละหมาดสาคัญที่สุดแต่เราหนึ่งละหมาดนี่มันมันอยู่ในระดับไหนก็ไม่รู้พิสูจนได้กับตัวเองนะว่าอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮละมองหัวใจเราถ้าเห็นว่าเราให้ความสําคัญกับคําสั่งของอัลลอฮ์นี่ คำสั่งของัลนมันยิ่งใหญ่ในหัวใจของเราเราก็จะมีความสําคัญในสายพระนิจในสายตาของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตานหัวใจของเรานี่มีความสําคัญสารพัดอย่างสารพัดอย่างบนยูโรนี่หมดเยัหมดยังยั ง, ยง อ, อ่ะขแสดงว่าติดตากูจะตอบเลยกู <ت ص في ق> นี่ยตัวอย่างคนชอบบอล็นเรื่องปัจจุบั น, นเป็นเรื่องธรรมดาชอบบอลใช่ไม่มแต่เขาชอบละหมาดแล้วก็ไอ้สองอย่างนี่มันจะแยง้งมันจะแย้งพื้นที่ในหัวใจของเราสําหรับอัลลอฮ์นะเป็นเรื่องธรรมดาว่ามนุษย์เนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างในหัวใจที่เป็นจุดสําคัญชอบสาวคนนี้ชอบ คนนี้อยาจะเป็นสามีของฉันในอนาคตคนนี้อยากจะทํางานกับเนี่ยตำแหน่งนี้อยากได้เงินเดือนสูงในองคอ์กรนี้ความหวงังแต่มันมีอย่างอื่นที่มันจะแยง่งไงสมุติวคนคนเขาอยากจะทํางานที่หนึง่งที่นั้นนะเขาบอกว่าเอ็งมาที่นี่เนี่ยเป็นมุสลิมใช่ไหมละหมาดไม่ได้นะไห ว, ขวไไนะเข า, าไม่ได้นะเป็นมุสลิมเขาคุ้มียาไม่ได้นะบอกเลยตั้งแต่ต้น เดี๋ยวจะต้องไปหาไปร้องเรียนบ้างแล้วก็บวชหัวกันน่ะนะบอกตงแต่ต้นนะครูมีดามก็ไม่ได้นะไว้เขาก็ไม่ได้ละหมา่ก็ไม่ได้นะไม่ใช่ ม, มาแล้วแล้วก็พอไม่ละหมัดนี่ก็ไปร้องเรียนไปฟ้องนู่นฟ้องนี่นะบอกตั้งแต่แรกเลยนะแต่เราอยากจะทํางานและในขณะเดวเราก็อยากจะละหมาดสําหรับคนที่งานเนี่ยเงินเดือนนี่มันสําคัญที่สุดสําหรับเขาอะนะ เรื่องละหมาดเนี่ยมันก็จะกลาเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเอาไม่เป็นไรครับดูเราเวลาที่บ้านก็ได้ดูไปจำมะดูฮดมกริบอิชายอิซัดดูฮดอิซัดมกริบอิชายทีเดียวเลยเหมือนมุสลิมหลายคนที่เขาทํากันเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องรองที่หยาบไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้เรายังเด็กอยู่ดยค่อยไปทําฮัดเนี่ยเป็นมนุษย์ป้าก่อน ถึนจะคุมมียาบเออก็มีมุสลิมอะที่คิดแบบนี้ว่าคุ้มียาบนี่อันนี้ต้องไปทำฮัตซะก่อนช่วงนี้ไม่ต้องมันแต่มันก็เป็นเป็นเป็นเหตุผลที่จะหาทางออกให้ตัวเองแล้วก็เอาความเข้าใจกับผู้ใหญ่บางคนที่เขาเสียทอดความเข้าใจที่ผิดผิดแบบนี้มาถ้าความสําคัญของคําสั่งของอัลลอฮ์นี่มันน้อยลงมันลดลง มันลดลงแสดงว่าความสำคัญของตัวเองในี่ในสายตาของเราเนี่ยมันก็จะลดลงอ๋อนี่คกํกำลังหมายรวมว่าเราสามารถเป็นคนที่มีความสำคัญสำหรับบลรลุสุภานุโมาลตามความสำคัญของคำสั่งของบลรลุใน่ัวใ่ แล้วบรรดา ن บีระซูลทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นคนสําคัญของอัลลอฮ์เพราะอะไรละ่ะเพราะเขาแบกศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือจุดสําคัญที่สุดของนบีระซูลที่เขาดีเด่นกว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์มองแล้วเห็นแล้วว่าเหมาะแล้วเนี่ยนี่ปกุมนบีระซูลเนี่ยที่จะแบกศาสนาของอัลลอฮ์ ยิ่งแบกศาสนาของอัลลอฮ์ยิ่งมีความสำคัญในสายตาของอัลลอฮ์ยิ่งศาสนาของอัลลอฮ์นี่สำคัญในหัวใจของเราเรานี่ยิ่งเป็นคนสำคัญในอัลลอฮ์ตาูดเรื่องนี้เพราะอายะถัดมานี่ก็จะเป็นการพูดถึง คนสำคัญของอัลลอฮ์ทั้งนั้นนะถึงขนาดที่ความสำคัญของคนเหล่านี้เนี่ยที่เขาแย่งกันทำความดีแย่งกันแบกศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์จะต้องจัดระเบียบจัดระเบียบว่าจะรับใช Allah ้อัลลอฮ์นี่ก็ต้อง คือต้องคุยกันน่ะจะมาฮ์นี่ต้องคุยกันไม่ใช่ว่าเอออยากจะทําความดีก็เหยกันไปทําความดีอย่างเดียวเรารู้กันนะว่า j ิ h า d นี่สุดยอดของอิสลามผลบุญสุดยอดอิสลามเลยทีเดเราก็จะไปจ i h a d กันหมดเลยใครจะไป jihad ไปหมดไปไม่มีใครเหลือเลยคนอื่นทําเรื่องอื่นซึ่งเป็นคําสั่งของเลาเหมือนกันนะ ปเรื่องดีความดีอื่นๆนะมีมีใครจะทำละและแบบนี้สังคมจะไปได้อะศาสนาจะไปได้อะถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยต่างคนต่างคิดมองว่าความดีที่ตัวเองต้องการเรียกได้หรือเป็นผลบุญสูงสุดตามที่เราคิดเอาเองเนี่ยหรือที่เราเข้าใจตามตัวบทเนี่ย แล้วเรื่องอื่นคําสั่งสอนอื่นเนี่ยที่เราไม่ถนัดทําหรือไม่อยากทําหรือมองว่ามันเป็นผลและบุญน้อยไปแบบเนี้ไม่ต้องทําอันนี้นี่คือทฤษฎีของฟารุดุกิฟายาในอิสลามฟารดุกิฟายา น, ายนี่หมายถว่าคำสั่งแต่ละคําสั่งเนี่ยเราต้องต้องดูด้วยว่าเราเฮกันไปทําความดีอย่างแล้วก็อีกความดีอีกหลายอย่างเนี่ยถูกทิ้งไปเนี่ย สังคมจะอยู่ไม่ได้นี่บาปนะไอ้คนที่ไปทําความดีนูน่นนะก็าบาปเหมือนกันนะเพราะพิ้งความดีอื่นๆไม่ทําหน้าที่สร้างมสัสยิดดีไหมดีไหมสร้างมสัสยิดคนที่สร้างมสัสยิดเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺ Allah จะอัลลอฮฺจะสร้างบ้านให้เขาในสวนสวยอันนี้จำแน่นะ สังคมจำแม่นเลยนะเฮกันสร้างมัสยิดเลยจนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคลินิกไม่มีศูนย์พยาบาลที่จะดูแลสุขภาพไอ้คนที่เพกันไปสร้างมัสยิดนี่บาปกันทั้งนั้นนะเพราะอะไระเพราะขาดรลดุกิเวะขาดผลดุกิเวะเฮกันไปสร้างมัสยิดไม่มีโรงเรียนไม่มีสถาบันการศึกษา คนทีสร้งมาสิอ้าไหนวะแล้วบอกว่าจะสร้างบ้านใช้แต่แล้วไม่ได้บอกว่าให้ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวทำควาเขา้าใจดิศา ส, สนาไม่ได้มีสร้างมาสิเอย่างเดียวศา ส, สนาไม่ได้มีละหมาดอย่างเดียวศา ส, สนาไม่ได้มีการทำฮัทอย่างเดียวไม่ได้มีการถือศีลอดเดียวมีเรื่องอื่นด้วยมเีเรื่องอื่นด้วยลองคิดดูสิที่ ถ้าคนมุสลิมในสังคมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยมาเรียนตับซีดกันทีน่นี่ไม่ต้องมองเรื่องสถานที่ว่าจะไม่พอนะนี่ทิ้งประเด็นเนี่ส่วนมุสลิมทั้งหมดเนี่ยมาเรียนตับซีดกันอนะไร ว, วิชาอื่นละ่ะก็ต้องเรียนรู้ทักษะอื่นล่ะงานอื่นละ่ะมันก็ต้องมีแต่การที่เราจะแบ่ง ภาระหน้าที่เนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องบังเอิญอ๋อโดยบังเอิญนะ่มีคนก็ชอบเรียนเัฟซีรมีคนก็ชอบเรียนวิชานุนทักษะนมีคนชอบสร้างมัสยิดคนชอบสร้างโรงเรียนคนชอบสร้างโรงพยาบาลโดยบังเอิญถ้าปล่อยให้มันเป็นเวด้วยความบังเอิญนี่นะมันก็จะต้องเกิดความบกพร่องอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นหน้าที่ในการจัดสรรบทบาทในการทำความดีนี่อัลลอฮฺสุฮาห์นวาาละให้สังคมทั้งหมดเนี่ยต้องพิจารณาความเหมาะสมเรื่องนี้ร่วมกันหมายถึงว่ามันต้องมีกลไกมีกติกาในการที่จะพิจารณาความต้องการต่างๆของสังคมและให้สังคมทั้งหมดเลยเนี่ย มาคุยกันนะว่าเรื่องนี้ต้องมีคนทำหนาที่อยู่แล้วเรื่องนี้เริ่มต้นอรารู้จากยูนิตเล็กๆครอบครัวครอบครัวในบ้านนี่เราจัดสรรเราแบ่งภาระหน้าที่กับสมาชิกครอบครัวอาั้ใครถนัดทำาหากินหาไรายได้คนนี้ใครถนัดทำกับข้าวดูแลในบ้านซักเสื้อผ้าทากับข้าวคนนี้ใครที่ช่วยทำเรื่องนี้ใครที่ช่วยทำเรื่องนี้นะก็แบ่งกันแบ่งภาระเด็กัน เป็นไปไม่ได้ที่น้องับแล้วแต่แล้วแต่ใครสะดวกใครสะดวกทำกับข้าวก็ทำใครสะดวกจะไปหาเงินไรายได้ครอบครัวก็ไปอใหญ่นิดหนึ่งชุมชนชุมชนต้องมีหลายอย่างที่ต้องดูแลชุมชนหลายอย่างะก็แล้วแต่ใครสะดวกอะไรก็มาทำแล้วมันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จอัลลอฮฺซุบฮานาอูตะฮฺในเรื่องที่พระองค์เพิ่งเพิ่งบอกเพิ่งสอน ไว้ก่อนหน้านี้ในในอายาหนึ่งรอยี่สิบเอ็ดนี่ยที่พูดถึงเรื่องความดีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องจิฮาตเนี่ยที่จะบริจาคเล็กน้อยก็าตามหรือจะไปเหยียบพื้นที่ไหนอันเป็นความเสียหายของศัตรูอิสลามหรือจะเดินทางอุบเขาที่ไหนก็าตามนี่ทั้งหมดเนี่ยมันนเรื่องเกี่ยวกับจิฮาตเนี่ยทำให้คน ใส่ใจเรื <Indeed. backup assembly> أ إ ่องอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจเรื่องอื่นเลาก็ทันทีเลยก็ต้องปรับความเข้าใจเรื่องนี้ปรับความเข้าใจเรื่องนี้ ف อมะคาน ل ลูอุมินูนล ر ยันฟิรูกะฟะฟ ر โหละนัฟร์มิ م กุลลิฟรักต์มินุห์มตูอีฟต์ุลลิยัตฟัควูฟิดดีนิวอลิยันฟิรูควะมุฮัมม ا ดะร ع อหมอมมมาย ทัวตไปเราจะอ่านความอ่านความหมายเป็นภาษาไทายแลว้วก็มาอธิบาย อ, อีกอีกอีกขันนน้นหนึ่งเป็นรายละเอียดเพราะอาญาณีตีความได้สองความหมายที่สามารถตีความได้ว่ามาการะลูกมินูนเลียนฟิรูก้าวไม่บังควรที่บรรดาผู้ศ <c> ร <oughs> ัทธาเคยบอกแล้วนี่คำว่าว่ามาการะเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นที่พึงประสงค์เลยสําหรับอัลลอฮ์เนี่ยนะที่บรรดาผู้ศรัทธา จะออกไปสู้รบกันทั้งหมดไป j ิ h า d กันทั้งหมดไม่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทั้งดังนี้เรื่อง j ิ h า d นี่อัลลอฮ์กอนหน้านี้นี่อัลลอฮ์ว่า ا, อินฟิรุหิฟาวันวะทิกาลาจงลุกขึ้นต่อสู้ทั้งในในสภาพที่พวกเจ้าลำบากหรือสภาพที่พวกเจ้าสุขสบายนี่นะลุกขึ้นไป jihad กันเร็วอันนี้เป็นคําสั่งทั้งหมดเลยนะทุกคนต้องทําแต่ พอจะลงมือทำแล้วเนี่ยจะไปกันหมดเลยไปกันหมดได้ไงที่จริงเนี่ยมันเป็นความเข้าใจหลังจากอัลลอฮฺประทานอายาณีลงมาอิมฟิรุคิแาฟันูดิกาลสูเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงลุกขึ้นไป j ิหาดในสภาพที่ลำบากหรือสภาพที่สุขสบายนี่หมายถึงว่าถ้าท่านนบีออกไป j ิหาดด้วยตัวเอง ออกไป jihad โดยตัวเองเนี่ยใครจะมาชักช้าไม่ได้ทุกคนทุกคนนะนะที่เป็นมุสลิมที่ได้ยินคําร้องคําเรียกร้องของท่านนาบีเนี่ยต้องลุกขึ้นไปจ i h a d เลยเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าการลุกขึ้นไปต่อสู้ไปจิ h า d ทั้งหมดเลยเนี่ยหมายรวมหมาให้ทิ้งทุกงานทุกภาระอื่นๆ เพื่อไม่เข้าใจแบบนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประธานลงมาอายะนีก็หมายถึงว่าจะออกไปไม่ใช่นะไม่ใช่หมายถึงออกไปทั้งหมดนะไม่ใช่ถึงอุลามะบางท่านบอกว่าอายะนี้เนี่ยยกเลิกอายะนู้นอายะนี้โอมาแกนัลมุมินุนเรนฟิรูกะว่ไม่วันที่จะออกไปทั้งหมดแต่ก่อนหน้านี้อินฟิรูออกไปหมดเลยอายะนี้ยกเลิกอายะนู้นแต่อุลามะ ส่วนมากวาไม่ใช่ไม่ยกเลิกเป็นแค่ยกเว้นยกเว้นกหมาอถึงว่า ไ, ไ, ไม่ต้องออกทั้งหมดเลยเป็นการยกเว้นและไม่ออกทั้งหมดนี่แล้วก็ทำยังไงฝ่าละวลานาฝ่อมิงกุลีฟิร์กติมินุมต้าอีเฟตุลียตฟักกุฟิดดีทำไมแต่ทาไมแต่ละกลุ่ม ทำไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อหาความเข้าใจในศาสนาเราไมายริงว่าไม่ต้องออกทั้งหมดนะแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยให้มีกลุ่มนึงให้ออกไปเพื่อหาความเข้าใจในศาสนานัฟ่ฟะรอว่ามาการะลูกอื่นนั้นเลียนฟิรูเป็นเวลาที่เขาจะออก นัฟราเยมฟิรุนเยิีฮัดอาอุมฟ่าหลวลานัฟระเทฮิมหนั่ฟราฮิมิคุมหนิงออกอันนี้ก็นัฟรเหมือนกันนะนะอักไปอกหาความรู้แสดงว่าออกไป็ิยีหัดกันหนฟรออกไปหาความรู้กันนั่ฟรใช้กริยาเดียวแสดงถึงความสําคัญของงานหรือภารกิจทั้งสองภารกิจภารกิจยิ่หัดและภารกิจหาความรู้การศึกษามัน มันเป็นน่าฟีรเป็นการออกเหมือนกันนะแต่อันนี้ออกไปเจอฮัทอันนี้ออกไปศึกษาเป็นภารกิจที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันและด้วยเหตุนี้ในบรรดาบทบัญญัติต่างๆที่มันสอดคล้องกันนะ่ะเวลาเราเรียนรู้วาเราศึกษากันเนีย่ยเราต้องเข้าใจศาสนาทั้งหมดไม่ใช่เลือกเลือกเข้าใจเลือกเข้าใจ เป็นนิสัยไม่ดีเลยสำหรับคนบางคนศึกษาเฉพาะเรื่องที่ตัวเองถนัดและปฏิบัติเรื่องที่ตัวเองอยากทำเรื่องไม่ถนัดไม่อยากรู้เรื่องที่ไม่อยากทำก็ไม่อยากจะไม่อยากจะปฏิบัติที่จริงเราต้องศึกษาทุกเรื่องเลยของศาสนาทุกเรื่องเลย และพยายามโน้มน้าวจิตใจของเราเนี่ยให้ปฏิบัติทุกเรื่องในศาสนาเท่าที่ทำได้เรื่องที่ทำได้ก็ดีเรื่องที่ทำไม่ได้เนี่ยก็พยายามขอพยะยโทษจะก็รอในความบุกร่องและพยายามฝึกฝนให้เราได้เกิดความสามารถในการทำความชั่วก็เหมือนกันความชั่วนี่เลิกเฉพาะ เรื่องที่ไม่อยากทำแต่ความชั่วที่กูอยากทำอะนะเอาไว้ก่อนอันนี้คือสันดานของมนุษย์ส่วนมากเรื่องที่อยากทำอะนะที่เป็นความชั่วนะก็ไม่อยากศึกษาเรียนรู้ไม่อยากให้มีใครมาเตือนไม่อยากให้มีใครม า, า, าต้อหัตทำไมอะก็เบียดทำนี่นี่สายของเราทุกคนเป็นแบบนั้น ถ้าไม่ใช่ความชั่วทั้งหมดเนี่ยเราต้องพยาพยามเลิกพยายามเลิกส่วนที่เราเลิกได้เนี่ยก็ขอบคุณอัลละฮ์ที่อัลลอฮ์ช่วยให้เราเลิกความชั่วนี้ที่ยังเลิกไม่ได้เนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ต้องสัญญาใจก่อน AH, เราต้องพยายามไม่ได้จะได้เลิกความชั่วเหล่านั้ น, นสองอยง่เรื่องความดีเรื่องความชั่วนี่เราต้องเรียนรู้หมดเลย นี่มันก็สอดคล้องนะกับที่พูดตอนต้นเนียเรายิ่งเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้และใส่ใจคาสั่งของอัลลอฮ์ข้อห้ามในศาสนาทุกเรื่องนะเราก็ยิ่งมีความสำคัญในสายตาของอัลลอ์ยิ่งเราเป็นคนเรียกปฏิบัติบางทีโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่เราเคร่งครับ ในเรื่องศาสนาบางเรื่องนี่มันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับเราเพราะอะไรเพราะเราทำในสิ่งที่เราอยากทำไม่ได้ทำในสิ่งที่อัลลออยากให้เราได้ทำเช่นตอนนี้วาระทีโลกทั้งหมดเลยนี่ทั้งหมดโลกทั้งหมดเลยนะมุสลิมนะไม่ใช่มุสลิ ม, มะนะกำลังสนใจเรื่องกาซ า, ร า, าเรื่องปาเลสไตนีเลือกตั้งที่อังกฤษ และฝรั่งเศสสองปฏิทินมหาอำนาจและโดนอเมริกามาอีกด้วยนะสองปฏิทศมหาอำนาจดีนะฝ่ายซ้ายชนะซึ่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนปาเลซายและกาซาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโพทั้งหมดเนี่ยเขายืนยันนะว่าขวานี่จะชนะยุโรปนี่กว่าล้างหมดเลยขวานนกว่าล้างหมดเลยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าโพทั้งหมดเลยเนะี่ยยืนยันว่าขวานี่ชนะเป็นรัฐบาลแน่นอน อกมากเลยนะเอกชนเลยบอกว่าทซ้ายนี่ชนะเฉยเลยตกใจกันหมดเลยโลกนี้กําลังชัดคุยกันเรื่องนี้คุยนะไปยังไม่ได้บอกว่าเออเขามีความรู้สึกร่วมในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขากําลังรณรงองอะเรื่องเนี้ยแม้กระทั่งเรื่องการเมืองของเขาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับเขาอะนะเขายังเอาเรื่องนี้มาเป็นปัจจัยเป็นเนื่อนไขในการเลือกผู้นําของเขาแต่มุสลิมเรา ดูดิเช็คอาสาธนี่มามาเลยนมาถามตกลงสิพัดของ Allah Allah ลงมานี่ยูุ่นเนี่ยล l l a h ลงมาอย่างไงเขาคงถามกันอื่นนะถามเร่อกับเรื่องอื่ น, นะออนนะแต่แค่เอาเรื่องนี้มาถามนี่แสดงว่าสมองของเราเนี่หัวใจของเรานี่ยลำดับความสําคัญไม่เป็นแล้วไม่เป็น เช็กอาซาร์พูนำขนาดนี้มาถึถงมานเราทั้งทีเลยนะั่นนะ่ะเออให้เขาขแนะนําเรื่องเรื่องที่มันเริ่งด่วนกว่านี้ไหมไม่ต้องพูดเรงกาซาก็ไดนะ้มาเลนีมุสลิมแต่ละกุมนี่ทะเลาะ ก, กันไม่มีชิ้นดีเลยการอิสลามเนี่ยโซโละระหว่างมุสลิมอิสลามอะไรตองดองกันนะ่ะเรื่องสําคัญกว่าไหม สำคัญว่าคือถ้าคนเนี่ยเกิดมาทั้งดีเป็นมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้รับรู้เรื่องซีฟัตนูรูลของอัลลอฮอัลล์ น, นลงไม่ถ้าเสียชีวิตแล้วไม่รู้นะคงไม่ได้เข้านรกนะไม่ไดคงไม่ได้เข้านรกอย่างแน่นอนแต่ทำไมกลายเป็นประเด็นนะดูนี่ไปดูทิกต o อไปดู a ฟ e b o o k คุย อันนั้นสถิตไม่สถิตอะนนบนบอลลังหรือไม่ลอลันนั้นลงมาลงมาอย่างไงลงคุยกันดูดิอ่ะยนี่ยเข้ามาในดินแดนของมุสลิมยังไงอ่ะคุยกันดูดิรู้ป่าวว่าอาวุธของอเมริกาเข้ามาที่กาซาเนี่ยเป็นระเบิดปรมาณเท่ากับระเบิดปรมาณูหกลูกเฮโรชิมานะแค่สองลูกนะกาซาเนี่เขาบอกว่าประมาณหลูกแล้ว คุยเรื่องนี้ไม่สำคัญกว่าเพราะอะไรเพราะเราจะถามเราแน่นอนปล่อยพี่น้องมุสลิมให้โดนเข็นฆ่าแบบนี้ยังไงตอนน่าจะไม่ถามเราเาะหนูรนของข้าเนี่ยท่ข้าลงมาเนี่เองเชยยังไงเองไปฟังบัญญาเองดูติกต็อคลิปของใครแล้วไปเชื่อตอามแ้วนาไม่ถามหรอกตอนเราถามแน่ที่ไปดูคลิปพี่น้องกำลังถูกเข็นฆ่า เ, เองได้ทำอะไรให้พี่น้องของเราบ้างแน่นอนดูถามแน่นอนถ้าเรารับรู้แล้ว ดูอะไรยังช่วยเหลือแค่ไหนอะไรทุแต่ถ้ดูคลิปของคนนั้นแล้วก็ยังไงมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่บุญธรรมสำคัญของอากีดนะครับอัลลอฮ์ใช่ใช่เลยาา ก, ก, ก็สามารถนี่เขาเกิดศาแบบนี้อัลลอฮ์จะลงยังไงเนี่ยเขาไม่ได้คุยเขาไม่ได้ถามท่นานนบีเลยแสดง่และอุลามาทั้งหมดเลยเนี่ยที่เขาคุยกันเรื่อง เรื่องคุณลักษณะว่ายังไงหรือไม่ยังไงหรือต้องที่ความในสุดท้านี่บ้านปลาชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าฉันอยากจะเสียชีวิตในสภาพอิมานของคนแก่ๆที่อยู่ในยอดเขาคนแก่ๆที่อยู่นั่นคือคนที่เขาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรเลยเขาอิมานแบบเขาได้ยินอัลลอฮ์ส่งสติดบนบัลลังก์สติดบนบัลลังก์ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ไ ม, ไม่ไม่ขุดคุยไม่ต้องไปคุดยังไง สิทิ์ยังไงอ่ก็เรานั่งอย่างนี้อัลลอฮ์นั่งมืดเนี่ยคิดมากในคุรานในหะดีสเนี่ยอัลลอฮ์พูดเยอะนะเรื่อง jihad ใคร jihad เสชีวิตเข้าวสวรรค์แต่เช่นเดียวกันในคุรานก็ในกุรานและฮะดีสเราก็ Allah พูดเยอะเหมือนกันงานอื่นถ้าเราได้ทําเช่นคนบริจาคทําความดีอื่นๆในฮะดีสการศึกษา หนทางของการศึกษาเป็นหนทางสู่สวนสวัสด์ก็เหมือนกันศึกษาเรียนรู้อิสลามทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องแล้วก็ต้องลำดับต้องลำดับความสำคัญของเรื่องและความสำคัญของเรามันอยู่ที่ความถูกต้องในการลำดับความสำคัญของประเด็นหมายถึงว่าถ้าเราลำดับความสำคัญของคาสั่งของอิสลามผิดที่ผิดทางผิดตาแหน่งนะ นั่นหมายรวมว่าเราอาจจะถูกลดความสำคัญในสายตาของโลกก็ได้ช่นอาซานดูรีแล้วพออาซานดูรีแล้วละมาำอะไรละมาสุนนะละมาสุนนะละมานี่อัสรีจากเขาแล้วนะตัวเองละมาดูรียังยังลังลมาสุนนะอยู่ละมาสุนนะดีหมละมาสุนนะดีหดีแต่เขาลำดับความสาคัญถึง ของสุนนะถึงขนาดที่จะละเลยการละหมาดฟรดูนะอัลลนี่ในสายตาของเราคนนี้เนี่ยดีไหมไม่ดีนี่แหละทุกคนที่จะแอบอ้างความสำคัญของหลักการในสายตาของตัวเองในความรู้สึกของตัวเองนะแต่ไม่ได้มองถึงหลักการศาสนาไม่ได้ศึกษาจากหลักการศาสนาเนี่ยแน่นอนต้องมีหลงแน่นอนกิเลสของเรา อารมณ์ของเราพยายามที่จะบีความสำคัญของแต่ละอย่างที่มันสอดคล้องกับความต้องการของเราคนอยากจะออกกำลังกายจะเล่นบอลนี่ไงก็แสดง่าน า, นาบีบอกว่าอัลมุเอมินุลกุวยุไคลุอัฮับบละไลมอัมุเอมินทีแข็งแรงดีว่ามุเอมินทีอ่อนแอนี่ไงนี่ไง คือถ้าเราจะหาความชอบในสิ่งที่เราต้องการน่ะนะมันได้เลยมันทำได้หมดมีคนเขาบอกว่านี่ไงศิลปะทำรูปปั้นศิลปะทารูปปั้นแม้กระทั่งศิลปะรูปปั้นโป๊ ะ, ปะเนี่ยมันจะได้แสดงฝีมือว่าเนี่ยเราทำรูปปั้นคนคนเปลือยกายเนี่ยเหมือนตัวจริงเลยนี่แนวะนี่ไงคุณอ่านก็ยังส่งเสริมเลย ฮะคุรานแสดงว่าไม่ไดเรียนรู้กุรานให้ดีนะเห็นไหมตรงไหนอะนี่ไงอัลลอฮฺบอกเต็มนบีสุลัยมาน์จะทำลูกนั้นให้เขาทำอะไรก็ได้จากภาริยาและที่นี้ก็เป็นการ้อบและก็เป็นการสร้างความรู้สึกให้เขา สร้างรูปปั้นเนี่ยเป็นซุนนาของท่านนบีสุลมานอันนี้ผมผมไม่ได้พูดเล่นนะมีมีคนแต่เขาไม่ใช่ผู้รู้นะแต่เขาหาความชอบบอกว่าไอ้พวกที่บอกวรูปปั้นนี่มันบาปในอิสลามนี่บาปยังไงก็นนี่นบีสุลมานเองยืงยนรับบรษในกุรานคือประเด็นแรกเนี่ยหลักการศาสนาบทบัญญัติของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละนบีเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนอันนี้หลักการแรกเรื่องแรก สมัยนบีอาดัมนี่นะพี่น้องกันแต่ละท้องนี่แต่งงานกันได้เอาแล้วก็จะแต่งงานกับใครถ้าทําไม่้เไม่ได้แต่งงานกับพี่น้องก็ต้องก็ต้องแต่งงานจากพี่น้องเขาไม่งั้นไม่มีแต่งงานได้ไงเดี๋ยวนี้แต่งงานได้ไหมพี่น้องแต่งงานได้อะไม่ได้พี่ทําไมาถึงวาพ่อแม่เดียวกันน่ะแต่งงานไม่ได้นี่ไงเปลี่ยนระบบบเนีนตอีกอย่างหนึ่งใครบอกล่ะว่ารูปปั้นสมัยท่านนบีซุลมไปรูปปั้นครุปอวัยวะอาจจะเป็นการสร้างรูปปั้น ที่ไม่ได้ครบเอาไว้ว่าก็ได้เป็นไปได้เห็นไปไดก็เป็นไปได้ไปดูรูปปั้นที่ยุโรปที่เป็นฝีมือของนักปั้นนี่นะบางชิ้นนี่นะปั้นเฉพาะมือเฉพาะเท้าแล้วเขาถือว่าเออนี่คือสุดศิละปะเขาเป็นไปได้แล้วแบบนี้มันไม่บาปเนี่ยจะเอาเฉพาะอ่ดแต่ปั้นเฉพาะเท้าอย่างเดียวยสมมติ ใครบอกเราว่ารูปปั้นนี่แสดงว่าทั้งหมดแต่ก็เรียกว่ารูปปัน้นเหมือนกันแต่มันไม่ครบแต่เขาอยากจะเรียกความชอบในสิ่งที่เขาอยากทํานอยากจะร้องเพลงเนี่จะฟังดนตรีเขาก็จะหาความชอบตัวอย่างเยอะนะที่เาโหขยันกันขยันกันหาตัวบทหลักฐาน บกว่าการสแสดงสแสดงสิ่งที่มันทรอมอยู่มันไม่ได้สมมติว่ามีบทละครแดสแดงกินเหล้าอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ไปซื้อเหล้ามาเลยไปซื้อเหล้ามันจะได้มันจะได้ฟีลลิ่งมันออกเต็มที่ไม่ได้ทำทำบาปน ะ, สะแสดงเนี่ยต้องไม่บาป แต่ถ้าจะแสดงแสดงสิ่งที่จะสอนให้คนอื่นว่าอันนี้เหมือนเช่นกินน้ําธรรมดาแล้วก็แสดงอาการเมาแล้วก็การเมาจะทําให้มีความประพฤติ ท, ที่ไม่ดีเพื่อเตือนสติคนที่กําลังดูละครพอได้แต่ถ้าจะเอาเล่าจริงมามาแสดงไม่ได้บางคนบอกว่าได้ใครบอกว่าไม่ได้แล้วก็มีหลักฐานในคุรานด้วย อย่ากฟังไหมผมไม่ไม่บอกให้เพราะเคยเรื่องนี้เนี่ยเคยมีเพื่อนเรียนไปเนียโทด้วยกันก็เถียงกันเรื่องเนี้ยนั่งอยู่นักนักศึกษาไปเนียโทนั่งด้วยกันก็มีเพื่อนคนหนึงเคยบอกไม่ได้นิ่ไงได้นี่ไงนี่ไงในกุฎานี่ไงเพื่อนผมมีคนหนึ่งว่าไอ้อิบลีสเนี่ยถ้ามันจะคิดหาหลักฐานเนี่ยมันก็คงไม่เจอหลักฐานเหมือนมึงนะ ถ้าอิบลีสเนี่ยมันจะพยายามค้นหาหลักฐานเนี่ยมันคงไม่เจอมันสมองจะไม่จุดเลวเหมือนมึงน ะ, ะแสดงว่าสุดยอดขนาดไหนนี่ทจะไปไปคิดหรือจะตีความหลักฐานจากกุานจะได้หาให้ได้อะซึ่งคนคนนั้นก็เรียนเรียนคณะฉะริอาฉชริออนะผมก็แอบคืบ ผมไม่ได้ตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้กลัวเรื่องเรื่องนั้นผมกลัวว่าจะไอคนนี่เนี่ยออกจบเป็นอุลามาจริง ๆ, ๆถ้าจบเป็นอุลามามีสมองเลวกว่าอิบลีสอย่างเงี้ยการฮามดุลเลาะห์เขาสอบตกนะจริงเพราะถ้าหากว่าจะาูเขาก็เป็นคนที่ไม่เข่งศาสนาเลยและมีความคิดที่ชอบเถียงเรื่องอะไรแปลกๆแบบเนี้ยพวกเราก็นั่งคิดว่เหมอนนี่มัน จบชตแลวออกเป็นอุลมาแล้วนี่มันจะฝะตวัวยังไงลำดับความสำคัญต้องมีสองเรื่องสำคัญหนึ่งเราต้องอ้างอิงตัวบทหลักฐานจะรู้ยังไงว่าสำคัญไม่สำคัญนี่มันมีคนไกมีมีกติกาในนิติศาสตร์อิสลามพอที่จะให้เรารู้อย่างเช่ น, นง่ายๆที่ทุกคนที่รู้ ฟัรดูสําคัญกว่าหรือสุนนะใครๆก็รู้ฟัรดูสําคัญกว่าหรือสุนนะเวลาใกล้จะหมดแล้วและอันนี้กําลังละหมาดสุนนะทุกคนเฮ้ยละหมาฟดฟัรทุกคนเวลาจะหมดแล้วมาลมาดฟัทุกคนก็รู้บางเรื่องนี่แทบไม่ต้องเรียนรู้เลยรู้รู้มันอยู่ในความสํานึกอยู่แล้วแต่บางเรื่องบางเรื่องนี่เราต้องศึกษาฟัรดูกีฟายาสําคัญกว่าหรือสุนนะอ่านี่ต้องต้องคุยกันหน่อยมา ถ้าไม่รู้ก็ต้องไปถามผู้รู้ความสําคัญสําหรับสังคมโดยรวมสําหรับชุมชนโดยรวมกับความสําคัญสําหรับบุคคลสําหรับบุคคลคนคนนี้สมมุติว่าเขามีโรคประจําตัวต้องรักษาโรคประจำตัวต้องใช้เวลาในการรักษาแต่ในขณนะเดียวกันเขาขาดความรู้เยอะเรื่องศาสนาเวลาช่างการที่เขาจะเสียเวลาในการศึกในการรักษาตัวเอง ให้ชีวิตเอาชีวิตรอดก่อนเนี่ยกับความสําคัญในการเรียนรู้ศาสนาที่เรียกว่าเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะเพราะการเรียนรู้ศาสนาเนี่มันก็สําคัญสำหรับชีวิตหนึ่งแต่การรักษาสุขภาพเพื่อเอาชีวิตรอดนี่สําคัญกว่าความรู้เรื่องศาสนาแต่ละอย่างแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนะี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวาวัลลอฮฺเลยยกตัวอย่างสองเรื่องเรื่อง j ิ h a d กับเรื่องการศึกษาส อ, สองเรื่องนี้ เป็นเรื่องสําคัญมากและก็มีมีนัยยะสําคัญจีฮานนซิรูตุสนาหมิอิสลามนบีบอกสุดยอดของอิสลามแล้วถ้าอัลลอฮ์เอาเรื่องการศึกษานี่มาเทียบกับจีฮานนี่แสดงว่าการศึกษานี่มันสําคัญเท่าไหร่สำคัญขนาดไหนเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ โดยรวมนะเรียนทุกวิชาการนะและโดยเฉพาะ ก, การศึกษารรเรียนยรู้เรื่องราวของศาสนาอัลลอบอก็จะออกไปแยกกันวันนี้ไม่ได้ไม่ควรมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกมันจะนํามาซึ่งความหายนะ์แน่นอนเอาแล้วจะทำยังไงอ่ะแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขาจริงไม่ออกไปเพื่อหาความรู้<ม><ม>พเพื่อหาความเข้าใจในศาสนาบ้างหรือ วิญญาณที่รู้เกลมหมและเพื่อจะได้ตักเตือนหมู่คณะของพวกเขาถ้าร ج จ ع อิละอิมเมื่อพวกเขาได้กลับมาอย่างหมู่คณะของพวกเขา ل ละอัลลอฮุมิลฮะซารุนและอัลลอุมิลฮะซุโดยหวังว่าหมู่คณะของพวกเขาจะได้ระมัดระวังก็ไห้าว่ า, วาถ้า มีการเรียกไปสู่การ j ิ h า d นี่ก็อย่าออกไปหมดนะให้มีกลุ่มหนึ่งอยู่กับท่านบีและกลุ่นหนึ่งออกไปสู้รบซะออกไป j ิ h า d ซะแล้วพอกลุมที่ออกไป j ิ h า d แล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้กับท่านนบี เพราะคนที่จะอยู่เรียนรู้กับท่านนบีก็จะได้รับโอกาสถ้ามีกุรานถูกพระทจ้ลงมานี่ก็จะรับรู้ไงแต่คนที่ไปจิ h า d นี่ไม่มีโอกาสพอเขากลับมาแล้วเนี่ยกลุ่มที่อยู่กับ น, นบีที่เราเฮ้ย hey, นี่ตอนที่ใครไปจ i h a d นี่มีคุรานเรื่องนี้ถูกพระเจ้าลงมามีเรื่องนี้นบีสอนมามีเรื่องนี้เพราะเป็นไปไม่ได้นบีจะสอนทุกคนในสังคมนี้อไม่ต้องมีคนช่วยนบีสอนด้วยหรือว่า นี่ความหมายหนึ่งนี่หนึ่งความหมายนะหมายถึงว่าท่นานนบีไม่ได้ออกไปจิฮัดนบีอยู่ที่มดีนะแล้วนบีส่งคนไปจีฮัดเป็นไปนไม่ได้ที่นบีส่งไปจีฮัเนี่ยเ hey, อเฮ้ยเยอะโอกาสแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็ทิงนบีอยู่ที่มดีหน้าคนเดียวอ่าแล้วแต่กูอ่านประทานลงมาท่านนบีแล้วมีใคร อ, อยู่กับท่านนบีคนที่ไปเนี่ยจะกลับมาเนี่ยนบีจะสอ น, น, นยังไงอ่ะคนทั้งหมดอ่ะก็ต้องมีกลุ่มนึงอยูก่กับท่านนบี เรียนรู้กับท่านนบีเพราะกลุ่มที่ออกไปจ i ห a นี่กลับมาแล้วนะคนที่อยู่กันนบีก็ช่วยกันสอนกลุ่มที่ออกไปจ i h า d อันนี้หนึ่งความหมายอีกหนึ่งความหมายถ้าหากว่าการเรียกร้องให้ไปทำจิหา d นบีเป็นคนออกเคสแรกนี่นบีอยู่ที่มดินาะไม่ได้ออกไปจ i h า d เคสนี้นบีนี่ออกไปจ i h า d ถ้าออกไป j ิ h า d ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้ให้มีกลุ่มหนึน่งออกไป j ิ h a d กับท่านนาบีและกลุ่มหนึ่งต้องอยู่ที่มดีนาเนี่ยดูแลเมืองมดีนาและนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีทําทุกครั้งเลยแต่าท่านนาบีออกก็จะต้องมีอามีดที่ท่านนาบีแต่งตั้งไม่เป็นตัวแทนนองเขาแล้วนบีก็ออกไปซึ่งคนที่ไปกับนบีแน่นอน ก็จะได้เจริญกับท่านนบีก็ได้เรียนรู้กับท่านนบีด้วยเรียนรู้คุตัานในถูกกระสงค์คุตั้นอยู่กับนบีไม่ได้อยู่กับคนอื่นและกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ดูแลคนชราดูแลคนพิการที่อยู่ในมัดีนะพอกลับมาแล้วนี่นะกลับมาแล้วเนี่ยไอ้คนที่อยู่กับท่านนบีและกลับไปสู้รบเนี่ยก็จะมาสอนคนที่อยู่ที่มัดีินะอันนี้ความหมายที่สอง ซึ่งทั้งสองความหมายนี้เนี่ยมันก็สื่อถึงประเด็นเดียวก็คือเรื่องฝรดูกีไฟะฝรดูแปลว่าสิ่งที่จําเป็นฝ ร, รดูกีไฟะไม่ใช่ฝ ร, รดูต่อรายบุคคลฝ ร, รดูโดยรวมให้กลุ่มทั้งหมดเนี่ยให้มีกลุ่มนึน่งทำหน้าที่ถ้าทําหน้าที่แล้วเนี่ยกลุ่มอื่นไม่ต้องทํา กลุ่มนึงออกไปจิ่าดทีกกลุ่มหนึ่งทำไอที่ฮัทแหละเขาไม่บาปนะมีกลุ่มนึงออกไปทาหน้าที่แล้วกลุ่มนึงไปศึกษาอีกกลุ่มนึงไม่ได้ศึกษามัเวลามีกลุ่มหนึ่งศึกษาแล้วกิฟไฟะการละหมาดจน z สะเป็นฟรดูกี่ไฟะที่มีคนตายละหมาดที่มัสยิดแต่อีมามละหมาดคนเดียวนะมีคนเดียวละหมาดให้มฮิเนี่ยบาปกันทั้งุุ่นเลยบาปกันบาปทั้งุ่มจุ่น อย่างน้อยเนี่ยต้องมีละหมาดจะมาละหมาดจะมาอย่างน้อยเท่าไหร่สองอมีแล้วมีคนมามาอาบน้ำมายิดให้มีวักระฝันมาละหมาดจนาซะไปฝังให้นี่ฟังดูกิฟัยมีคนทำแล้วนี่น ะ, ะสมมติว่ามีคนอื่นอยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่ได้มาทำหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าพ้นบาป พ, พ้นบาปแต่อดบุญ คือถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะนะอย่างเช่นเฮ้ยเนี่ยมีคนเขาแจกตังค์หนึ่งมึงอดเขาแจกเท่าไหร่สองบาทแล้วเขาไม่เขาไม่เรียกว่าอดหรอกอดนี่มันต้องอะไรอาหสารนะอาหารส า, นะ า, า, าไม่ละหมาดนาซาหนิแค่และหมาดนาซาหนิกับบุคคลอดหนึ่งลูกแล้วละหมาจานาซาแล้วก็ตามไปฟังด้วยหนะน่าหนิสองลูกแล้วอดนี่อดแน่นอน คนแต่ดับดุลไลฟ์ในอมุมรซึ่งเป็นคนที่แสวงทำความดีแสวงหาผลและบุญอย่างเข่งคัดที่สุดในมูซาบ้านท่านพอรู้หะดีสนี้นี่นะโอ้เราว่าเราพลาดภูเขาไปหลายลูกเลยอะอันน้นเขาเป็นคนที่ทำบุญเยอะนะเขาบอกเลยยังพลาดเลยอดบุญฟรตุกิไฟะถ้ามีคนทำคนอื่นไม่ท ำ, ไ ม, ทำไม่บาปแต่อด ผลบุญพ่อผลบุญของฝรดูกิฟายานีมาสันเช่นผลบุญของฝรดูอนที่เราเรียกกันฝรดูอินรดูอินามาจากไหนสุาสมอินรดูอินนั่ไม่เป็นไรคือ สยามมาลายู่อะก็จะเพียนหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้าใจกันลวกันอย่าไปอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะพอฟังตัวไอ้นี่ไปว่าอะไรบุคคลไน่อนตัวคนฟังน่ฟัดูสาหรับตัวแต่ละตัวแต่ละคนแต่ละคนฮะฟังไอนี่ไอนี่กรตาเหมือนกันนะไอนก็คือตัวคนตัวคน รายบุคคลเป็นอินเนีเดี๋ยวเป็นพระอินเป็นอะไรนี่ไม่ใช่นะคนละเรื่องเช่นผลบุญของฟาตูอินกับผลบุญของสุนนะเราเนี่ยบางทีเผลอนี่เป็นประเด็นเกี่เรื่องลำดับความสําคัญให้ความสำคัญกับสุนนะมากกว่าฟาตูเช่นในเดือน رمضان ไปไปไปเดูดีจะไม่ทันละมาตราวียอิชาล่ะไม่เป็นไรอชาไม่เป็นไรขอให้ทันละมาตราวียก่อนแลวถ้าหากว่าเขาพลาดอิชาแล้วก็ทันอัลฮัมดุลิลล์นี้ทันละมาตรา์แล้วแล้วจะไม่ทันอิชาล่ะเดละมาดชยก็ได้เดี๋ยวมันมีมีนี่มี หลังละมาสุโบนี้นะก็นัดกันมีอและะ้วก็หรือนัดกันไปเล่นบอลละมาสุบี่นะที่จริงเนี่ยเขาเขาไม่อยากเล่นบอลกันหรอกเขาอยากให้เองมาละมาสุโบนั่นแหละก็เลยนัดเล่นบอลกันเขาก็โอเคเล่นเล่นบอลนันดละมาซูไม่ได้วรอละมาซูพี่ห้ามด้วยละนัดบอล น, นีิทานนี่ลำดับความสําคัญความสําคัญ เียบไปเลยเรื่องทุกเรื่องเลยที่บ้านนะ่ะภรรยาสำหรับมุสลิมานี่สามีนับเรื่องหนึ่งโอ้เค็งมากเลยนะถ้าสามีภรรยานัดเรื่องนี้ไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยเป๊ะ เ, ะเะลยบ่ายสองนี่เตรียมตัวนะเราจะไปนู่นนะ ส, สองโมงนี่เป๊ะเลยทอ้อ รามาดูเรื่องรมากันอาจายังอาจารแล้วกมาดยังกมาดแล้ว <laughs> อีก็มาแล้วอย่างนั้นลํลำดับความสำคัญ <c oughs> บางทีเรื่องลำดับความสำคัญในเรื่องเดียวทำงานทำงานเพื่อทำงานเพื่ออะไร กาังเลี้ยงครอบครัวแล้วหนึ่งงานเดียวนี่นะมันจะมีหลายเรืองเราทำงานเพื่อดาวะคือผู้ศรัทธาจะเหมือนคนทั่วๆไปนี่นะมันก็จะเหมือนประธานโทษนายกตัวอย่างอะนะหมาในคอกมานี่นะมันก็มีมมาเยอะ เ, ยเป็นพันตัวแต่มีบางตัวนี่เด่นเด่นเนี่ยเจ้าของของเอาตัวนี้อันนี้ของฉัน นี่่งเป็นพ so, ันตัวนี่ไม่เอาอ่ะแตเฉพาะตัวนี้นี่ที่อัลลอ์จะคัดเลือกให้เป็นคนของอัลลอฮ์นี่นะคนที่ศึกษาเียนูก็เยอะที่นักศึกษาทั่วประเทศนี่เยอะคนทำงานน่ก็เยอะเยอะไปหมดเลยใครคนไหนอ่ะหรือแม้ก็่คนที่มาลมาดนี่มีกี่คนที่มัลลามาดเยอะเลยอ่ะแต่ใครนี่ที่อัลลอฮ์คันนี่คนนี้ของฉันคนนี้นี่รางวัลที่ฉันจ่ายเลือดของฉัน มันก็อยู่ที่เราทํางานเพื่อดาวางเราทํางานเพื่อเลี้ยงครอบครัวเราทํางานเพื่ออะไรอะ่ะเราทํางานเพื่อเป็นตัวอย่างของมารยาทที่ดีต่างๆในสังคมเราทํางานเพื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคและเจอบททดสอบแล้วก็ได้มีโอกาสทำไอิบาดาแห่งความอดทนนี่บางคนเนี่ยพลาดในเรื่องนี้นะคือเขาคิกว่า ทุกบททดสอบนี่มันเป็นข้อตำหนิของงานนั้นๆนะไม่ใช่แม้เงนินนะการจีฮาดนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่น่าทําที่สุดเลยทําไมอะ่ะมีแต่บาดแผลอย่างเดียวมีแต่เจ็บปวดอย่างเดียวจีฮาร์ดนะมีแต่เจ็บปวดแต่ทำไมเป็นงานสูงสุดล่ะราะมันต้องมีส บ, บัดอดทนไงเราทํางานจะได้อดทน เรามีบททดสอบนี่อลัลลอฮฺจะได้รู้ว่าเราจะอดทนหรือไม่อดทนหรือเราจะอ๋อเอ๊ไม่ไหวแล้วไปแล้วยัไปแล้ ว, ไ, ลวไม่อยู่แโอ๊ยไม่ไหวแลว้แบบนี้ฉันไม่ไห ว, วอดทนพ่องานนี้เยอะนะพวกเราตัวผมเองก็สอบตกบ่อยสอบตกบ่อยเพราะเรื่องสอบบัตรนี้มันเจอทุกเวลาเลยทุกเวลาทุกเวลาต้องเจอ และในทุกเรื่องทุกกรณีในอายะนี้อัลลอฮ์พูดถึงภารกิจสำคัญของคนที่เรียนรู้ก็คือลิุนซิรูเเกมาฮุมนี่สีม่วงนี่เพื่อจะได้ตักเตือนมูคณะของพวกเขานี่คือภารกิจของคนที่มีความรู้แม้แต่น้อยมีความรู้แล้วไม่เตือนใครนี่แสดงว่าความรู้นะ่ะหมันเป็นหมัน มีความรู้แค่ไหนก็ตามอ่ะนะแล้วไม่เอาไปเตือนชาวบ้านเนี่ยแสดงความรู้อะไรประโยชน์รู้มาทำไมรู้ว้าําให้ตัวเองทําอยู่คนเดียวและคนข้างๆเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยรอดไหมรอดไม้มไม่รอดไม่รอดนี่บอกว่าน ب ي ลแระศูลเนี่ย เป็นคนสำคัญของ a l l a นี่เพราะเขาทำภารกิจนี man. ้และวะอันทีรอาชีรตักลักรบีนจงเตือนคนใกล้ตัวของพวกเจ้านบีไม่ทันเลยอิกระบิสมิระรับบัญชาจากัลลอฮ์อันแรกนี่คนแรกที่บอกคือคดีจะบอกคนแรกเลยคนที่สองคนใกล้ตัวลูกสาวฟอดิมะ คนที่สามอาลีบในอบดุอลิบลูกเลี้ยงตอนนั้นเอามาเลี้ยงอาลีบในอบดุลอลิบลูกเลี้ยงคนที่สี่เพื่อนสนิทที่สุดอบูบักรไปดูคนที่รับอิสลามมันก็อยู่เขาแค่คิดแลกกันว่าคนแรกเลยคือใครที่จริงเนี่ยทุกคนนี่ก็คือคนแรกในหมู่พวกเขาอ่ะในหมูสมม่สหาบัคในหมู่สาวุคนบีอบับูบักสนิทที่สุดก็ต้องบอกคนแรก ในข้อครัวใครสนทิที่สุดภรรยาเขาดีจ้ะลูกๆฝาติมั้์ลูกเลี้ยงอาลีก็กอยู่ในบ้านไงเราจะออกไปดาว่าไปเตือนคนหรเตือนทุกคนนี่แต่คนในบ้านเรานนาเราไม่เตือนเลยเหรอเราไปบอกนนกับมุสลิมานี่คุ้มไมจับแต่ภรรยาตัวเองยังไม่คุมีมับมันได้อัมันมันไม่เส น, นนี่้เนค้ะรอะอผูก พ, พันระหว่างเรา กับกลุ่มชนของเราคนใกล้ตัวของเราภารกิจไม่ใช่ให้ตังค์ให้ตังค์ไปกินข้าวออกค่าใช้ใจ่ายค่าเล่าเรียนให้ตังค์ไปซื้อเสื้อผ้าไม่ใช่ภารกิจที่สําคัญที่สุดเนี่ยอันนิดาระคือเตือนภารกิจของหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลครอบครัวนี่ไม่ใช่ว่าเออจะกินอะไรเก็เียเอาเนละ จะไปดูหนังเอาเลยาเลยจะซื้อเสื้อเอาเลยทุกอย่างฮะเต็มที่ละหมาดเป็นเนียงอ่านกูอ่านเป็นเนียงประกอบศาสนาคิดทําไมบ้านนเป็นเนียงฮ่าเด็ดเด็ดโตแล้วมันรู้เองโตแล้วมันรู้เองโตนี่จนจนพ่อตายแล้วเนี่ลูกละหมาดยันยาเองไม่เป็นเลยพอเลี้ยงลูกเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการศึกษา เรียนโรงเรียนดังๆแน่นอนไปเรียนโรงเรียนดังๆนี่ก็การที่จะหาเพื่อนดีๆมันคน่อนข้างยากอาจจะมีนะแต่มันค่อนข้างยากเรียนดังๆมีเพื่อนไฮโซเพื่อนทาไมเ่อนไฮซโอก็เพื่อนดูคนนึงจะเป็นรัฐมนตรีคนนึงเป็นนายกคนหนึ่งเป็นคณะปฏิวัติอนนั้คนหนึ่งเป็นคนดัง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะั่นน่ะ ถ้าไปโรงเรียนหวยแตงเนี่ ย, ยคนนั้นเป็นยามคนนั้นเป็ น, น, นชีวิตจะรอดอ่ะเนี่ยไม่ไดอยู่ไม่ไดีอยู่ตรงนั้นขอให้เป็นยามแต่เป็นคนของอัลลอฮ์นี่สอนเรื่องดีๆเนี่ยดีกว่าไปไปรู้จักเพื่อนที่จะเป็นนายกแล้วก็สุดท้ายนี่ยังดีกันเห็นกันอันเนี้ยหน้าที่ของผู้นำนี่ผู้นำครอบครัวผู้นำสังคมมันหน้าที่อะไรดูแลสังคมในเรื่องอะไร สุฟยนอเซอรีได้บอกว่าถ้าข้าพเจ้ า, ามีอำนาจไม่ถึงว่าเป็นผู้นําในสังคมข้าพเจ้ า, าจะจ้างคนเลยจ้างคนให้ไปตามทุกจุดมุมที่มีประชากรมีคนกําลังชุมนุมเนี่ยให้เตือนว่าอันตรทุกุมนุนารระวังในพี่น้องระวังนรกน่ระวังการลงโทษของพระเจ้ า, านะเขาเป็นห่วงสิ่งที่อันตรายที่สุดสําหรับเรานี่นะการที่เรา ใช้ชีวิตไม่ตรงกับคําสั่งสอนของพระเจ้าทําให้เรามีผลที่จะต้องตกไฟนรกนี่นี่เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดที่พ่อแม่ดูดูแลลูกให้ละหมาดนี่เพราะอะไรเป็นห่วงรู้ว่าลูกเนี่ยตื่นละหมาดสบอเนี่ก็มันก็ไม่อยากตื่นอยู่แล้วคืนก็ไม่ได้นอนจะไปปลุกก็าจะไม่ไปรบกวนก็าจะไม่ตื่นเด็กก็ต้องเรียนให้มันพักผ่อน ใช่พ่อแม่ก็รู้แต่พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยเข้านรกภรรยากับสามีก็เช่นเดียวกันเรากับเพื่อนเพื่อนด้วยกันเฮ้ยเพื่อนมันละหมาดเฮ้ยละหมาดอะไรดูเราดูเนยสนุกกันก่อนนะสนุกกันแต่จะเข้านรกกับแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแล้วยิ่งกว่าใช้ตอนน่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อนนานละผมอยากจะรู้ หวังว่าหมู่คณะของพวกเขาจะได้ระมัดระวังคนจะระมัดระวังยังไงถ้าไม่มีใครเตือนไม่มีใครบอกในครอบครัวไม่มีพ่อแม่ที่จะสั่งสอนลูกให้ละหมาดสั่งสอนสั่งสอนลูกให้อ่านกุตตานลูกจะระมัดระวังยังไงสามีภรรยาทำไมตักเตือนซึ่งกันและกันจะระมัดระวังกันกันยังไงในชุมชนนี่ถ้าไม่มีอิห ม, ม่ามไม่มีกรรมการมสัสยิดดูแลชุมชนนี้ให้เคร่งคัดในเรื่องศาสนา มีคนหายไปไม่ละหมาดไม่ละหมาดวันศุกร์ไม่อะไรเลยเนี่ยกระชังเขาไปหลุดศาสนาเขาไม่สนใจมวัวแต่นับทับซีนับชอ้อนนับซ้อมถ้าสังคมจะรอดไหมเขาจะรับการตักเตือนอยังไงอ่ะต้องมีต้องมีคนตักเตือนนะตั้งใจว่าจะอธิบายสองอายะแต่ไม่ทันนะครับเลยกไม่เยอะเนี่ยเลย รอยยี่สิบสามยี่สิสียี่ห้า่สสิเจ็ดสิยจะซึ่งอายอนนี้สำคัญยยงหน่้อ่สําคัญสาคัญมากฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอสลลมอลลฮุอะลนบีนมุฮัมมัดอลอลซาบิอุสลลมามิฮัมดามัย มาขอโทษด้วยได้ได้เดี๋ดวยวก่อนกลับเนี่ยดูก่อนกลับเนี่ยดูจ้าอัลลอฮ์มีมีก็มีเขาจะเรียกเซริยะเซริยะนี่ก็คือที่ท่านนาบีส่งซาบานี่ไปสูร้รบแล้วท่านนาบีไม่ได้ออกเขาจะแบ่งสงครามสมัยท่านนาบีเนี่ยถ้าเป็นฮัจจุเนี่ยเป็นสงครามท่นานนบีออกเองถ้าเป็นเซรียะนี่ก็คือจะส่งซาบา น, าบานไปนบีไม่ออกเองมี มีเยด้วยมีมากกว่าที่ท่านนาบีไม่ได้ไม่ได้ออกเองซารียนี่ซารอยานี่ก็คือซาลอยานี่คุณนคุ้นมซารอยาในาคนที่เขาควรข้าเนี่ยเขาใช้หลักฐานอะไรเขาไม่เขาไม่มีหลักฐานเขามีมีหลักฐานแต่มันมีหลักฐานที่บันทึกโดยแบบอามัดเนี่ยว่าท่านนบีนู่เนี่ยพอขึ้นเนี่ยก็ เ, เอาเอาพืชผล แต่และชนิดนี่เอาตัวอย่างขึ้นอันนี้นี่มีแล้วมันมีหะดิษม ร, รดุอีกบทหนึง่งอนะ่ะนแต่ น, นี้ไม่ได้อยู่ในมุสลิมมันฮะดิษไม่มีสายรายงานนะ่ว่าหลังจากน้ํามันแห้งแล้วเนี่ยก็อาหารมันไม่พอนบีโน่ก็เลยเอาพืชผลทั้งบดเนี่ยมาต้มมากวนอ่ะนะจนเป็นอาหารสําหรับคนที่รอดชีวิตจากน้าท่วมแต่อันนี้มันเป็นหลักฐานอุปโลกไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีที่ไปที่มา เป็นไปไม่ได้นะครับว่าศาสนาของเราจะถูกสรุปเรื่องยิ่งใหญ่อย่างอาชุรอเนี่ถูกสรุปในเรื่องสุขอเรื่องขนมกวนน่ยเป็นไปไม่ได้ศา ส, สนาทั้งหมดเลยเนี่ยเรื่องขนมกวนนะ่ะไม่ไม่ถือสิ้นอดไม่สํานึกในวันอาชุราเนี่ย ม, มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะอะมาข่วนกันทั้งวันทั้งคืนยังไงไม่น่าจะใช่ คือมันมีที่ไปที่มาในด้านประวัติศาสตร์นี่วะวันที่สิบอาชุราเนี่ยิมฮัรอมเนี่ยท่านโุสซยนี่ถูกสังหารเซียก็เลยกำหนดวันที่สิบเนี่ยเป็นวันไว้ทุกเป็นวันแห่งโศกนาฏกรรมของเซียและก็มีฝ่ายที่เขาไม่ชอบอานุลไบเนี่ยเขาเรียกนวาสิบจะก็นั้มมีมีบวก นักปกครองนี่ก็มีกลุ่มเนี่ยเขาก็มันไสพวกยาเนี่ยอะไรอะไรเอัชูรอเนี่ยก็จะไว้ทุกข์อะไรเงี้ยเขาก็เลยประกาศวันที่สิบมูฮัรรัมนี่นะเป็นวันฉลองก็หาเรื่องฉลองอะฉลองอะไรใน บ, บีนวัวแล้วก็กวรขนมแล้วก็แจกเพื่อแสดงความดีใจในวันในเพื่ออวนไม่ช่กวนอัลชูรอนกวรพวกียอันนี้เนี่ยมีในภาษานี้มีจริง อันนี้มีจริงและทำให้อลุนนะุโอลมาสุนานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจตนาแบบนี้เนี่ยผิดบาปบาปแน่นอนหมายถึงว่าวันเสียชีวิตของโฮไซนี่ว่าเราก็ต้องเศร้าแต่ไม่ถึงขั้นที่จะกำหนดเป็นวันวันเศร้าโศกนะมั้ยพอมีพี่น้องเยอะนะถามเขาเขาผมไม่ได้ควรครับเชคเขาเขามาให้กินได้ไหม คือถ้าเขากวนมาให้เนี่ยเราไม่ได้กวนเองเนี่ยก็กินได้แต่ถ้าเรากวนเองในวัยวนาชูร้อนี่นะแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นกิจกรรมเป็นเป็นงานของอาชูร้อนเนี่ยเนี่ยเป็นบิดอาไม่ควรไม่ควรร่วมกับเขากิจกรรมที่ไม่ถูกต้องาลส